เป็นเงนสงสารบ้าง น, ะนนะี่เลย น, นะที่เหลนเนี่ยคอยดึงให้เราคิดยงพยายามสร้างความสงสัยมายั่วให้เราคิดไปเราจะละเลยไม่ยอมรู้ว่ากำลังสงสัยแค่นั้นไม่หลอกเรา จริงๆธรรมะนะมันรู้ไม่ได้ด้วยการคิดแต่ว่าพอสงสัยเกิดขึ้นอยากคิดถ้าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็อยากถามคิดเอาก็ได้ความคิดถามเมาแล้วก็ครูบาอาจารย์ตอบให้ได้ความจับไม่ใช่ความจริงแล้วมันอยากเห็นความจริงก็ดูเอาเองความสงสัยเกิดขึ้นมารู้มันมันก็เกิดแล้วมันก็ดับให้กิเลสทุกตัวหลอกให้เราคิด เราให้ลืมตัวเองอย่างเรารักใครสักคนเราจะดูคนที่เรารักลืมรู้ใจที่กำลังรักเราโกรธใครสักคนเราก็ไปดูคนที่เราโกรธลืมรู้ว่ากำลังโกรธกิเลสหลอกเราวิธีนี้ตลอดสร้างความสงสัยขึ้นมาแล้วหลอกให้เราคิดลืมรู้ว่าใจกาลังสงสัยอย่าไปถูกคนหลอกนะ <c oughs> เราไม่ได้เรียนเอาความฉลาด ครอบรู้อะไรมากมนะายไม่ต้องกลัวโง่เราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนจะดับทั้งสิ้นต้องการแค่นี้ความสงสัยเกิดได้ก็ดับได้แต่เราอยากที่ช่วยมันดับนะสติเป็นสิ่ละเกิดได้บ่อยแมเบ่อเลนะ คือร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกการปฏิบัติของเรากับการใช้ชีวิตประจำวันไม่เป็นสิ่งเดียวกันถ้าคนไหนปฏิบัติธรรมเนี่ยยังมีการแยกชีวิตออกเป็นส่วนๆแยกว่าตอนนี้เป็นเวลาปฏิบัติตอนนี้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติอย่าพูดเรื่องมรรคผลนิพพานอะไม่มีทางแต่ถ้าการปฏิบัติธรรมของเรากับการใช้ชีวิตของเราปกตินี่เป็นอันเดียวกัน ถึงไม่พูดนะมันก็ถึงไม่ต้องไปคิดเรื่องน้ผ่านไม่ต้องไปอยากได้ยังไงก็ถึงรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกเล่หมีสติคนมองข้ามตรง น, นี้นะมองข้ามการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรื่องสำคัญที่สุดนะไปให้ความสำคัญกับการปฏิบัติในรูปแบบปฏิบัติเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติ ต้องไปวัดหึงจะเรียกว่าปฏิบัติต้องเข้าคอร์สหรือจะเรียกว่าปฏิบัติทั้งที่ชีวิตส่วนใหญ่อ ย, ย, อยู่ปกติอย่างนี้แหละแล้วเลา่ลาล้าเลยเวลาที่เหลือกิเลนเอาไปกินหมดเลยเมื่ออาทิตย์ก่อนเ้ามีหนุ่มคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่าเดินจงกรมจะเดินยังไงหลวงพ่อบอกนั้นออกมาเลยนะใจกล้า <c oughs> วอันนั้นคนเต็มห้องออกมาเดินให้หลวงพ่อดูเลยเดินตรงนี้ให้ทุกคนดู ไม่เข้าใจเด็ดน้ำออกมาจริงๆตรงที่ลุกเดินออกมาเดินมันได้สองสามก้าวก็บอกอย่าเพิ่งเดินหยุดก่อนทำไมไม่ปฏิบัติตอนที่ลุกมานี่นะลุกมาเฉยเฉยลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจไม่ได้คิดว่าทุกก้าวที่เดินต้องรู้สึกตัวคิดแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาเดินเพื่อจะมาเข้าที่เดินจงกรมงั้นตอนนี้ไม่ต้องมีสติที่เข้าใจผิดอย่างร้ายแรง ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยทุกก้าวที่เดินทุกก้าวที่ขยับให้รู้สึกตัวให้เดินต่อมาเดินคราวนี้ก็พยามรู้สึกตัวนะพี่ยาพอเป็นเริ่มต้นหัวทางจงกรมสารวมนะทําคลุ่มๆนะทำคลึ่มๆนะ น, นี้ก็ผิดอีกแล้วเวลาที่ไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัตินะก็ลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจพอคิดเรื่องปฏิบัติปั๊บ บังคับกายบังคับใจทันทีลืมตัวเองนั่นก็สุดโต่งไปข้างโหลงตามกิเลสหรือตามสุคริการนิโยปอดคิดเรื่องปฏิบัติก็บังคับตัวเองสุดโตงไปข้างอัตตะกิลมัฏฐานนิยโยบังคับตัวเองมันผิดทั้งหมดนะไม่ปฏิบัติก็ผิดนะเอาลงมือปฏิบัติก็ยังผิดอีกผิดกับข้างถ้าเมื่อไรเรารู้สึกตัวอยู่ในชีวิตธรรมดาได้ที่คุณค่อยๆฝึกิน ส, นสติเกิด เวลาคุณเดินคุณก็รู้สึกตัวเวลาจิตใจของคุณเคลื่อนไหวคุณก็รู้สึกตัวอะไรแปลกปลอมทีนิดเดียวเราก็เห็นเลย <Yeah. S 1> เราจะรู้สึกมากเข้ามากเข้ากัญญามันเกิดมันเห็นเลยตัวที่กำลังเดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะเลยรูปมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่เราไม่ไปเรียกมันว่ารูปด้วยนะบางคนพยายามนั่งอย่างเงี้ยพยายามคิดเอา ไอ้ที่นั่งอยู่เป็นรูปมันนั่งใจเป็นคนดูคิดเอาคําว่ารูปก็เป็นสมมติอยู่แล้วนะเราเปลี่ยนชื่อจากเรานั่งมาเป็นรูปนั่งไ ม, ไม่ได้มีอะไรดีกว่ากันหรอกหลอกหลอกๆๆท่างไม่ได้เห็นสภาวะธรรมของความเป็นรูปแต่ถ้าสติตัวจริงเกิดจะเห็นเลรูปมันนั่งแต่ไม่ไม่พูดนะรู้สึกเห็นนะรูปมันไหวไม่แค่รูปมันไหวกับรูปมันหยุดนิ่งรู้สึก จะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุปัญญามันเกิดแล้วคือเราเห็นรูปตรงความเป็นจริงถ้าเรารู้จิตรู้ใจมีสติถูกต้องก็ เ, เห็นเลยใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธจิตใจมันโลภไม่ใช่เราโลภใจมันหลงไปไม่ใช่เราหลงนะเรารู้สึกไปมันไม่มีเรา มารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะบางคนรู้สึกว้าเหวนะรู้สึกว่างว่างมันเคยมีตัวเราไว้ให้เกาะอย่างเหนียวแน่นโยรู้สึกไหมมีตัวเราไว้ให้จิตเกาะอย่างเหนียวแน่นพาวนหนึ่งสติปัญญาเริ่มเกิดแล้วไม่เห็นว่ามีเรานะบางคนว้าเหวนะว่งว่างบางคนกลัวไปเลยกลัว บาคนเห็นแล้วโอ้น่าเบื่ออย่างไรโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารรู้สึกเบื่อความเบื่อภาพงําจิตใจเบื่อทั้งสุขเบื่อทั้งทุกข์เบื่อทั้งดีเบื่อทั้งชั่วเบื่อทุกอย่างที่จิตไปรู้นี่ก็เป็นทางผ่านนะในความรู้สึกในทางผ่านแต่เราก็รู้ทางจิตใจของเราไปอีกใจก็เป็นกลางในสุดใจจะรู้สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงด้วยความเป็นกลาง ยืเตือนนั่งนอนใจสักว่ารู้สักว่าเห็นเนี่ยเป็นกลางจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไปเพราะว่ามีสัมมาสมาธิร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเนึกว่ามีสัมมาสติใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นสัมมาสมาธิก็เห็นเลยไอนี้ ใ, นใจในี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปธรรมนามธรรมนี่เป็นตัวปัญญา นเรามีทั้งหมดแล้วสติมีสมาธิมีปัญญาไปแก่รอบเข้าไปจิตใจปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจมีบิมุตบิดมุติเกิดขึ้นแล้วนะใจไม่ไปยึดไปเกาะ อ, อะไรเป็นอิสระมีอิสระเป็นที่อิสระสูงสุดมีความสุบร้อนรนะความสุขโดยไม่ต้องรักษาไม่ต้องคุ้มครองดูแลหลวงพ่อไปเห็นคนหนึ่งนะเขียนธรรมะ พิมได้นะพิมพยอะแยะเลยพระอราหันเนี่ยน ะ, จะเจริญสติอยู่ทุกทุอิริยาบถคนเขียนไม่ได้เป็นพระอราหารนันแนะงานทางศาสนาพุทธเนีเมื่อทําไปถึงจุดหนึ่งมีที่สิ้นสุดการจเจริญสติเหมือนเรือเหมือนแพเท่านั้นเองไว้ข้ามฝั่งข้ามแล้วก็ทิ้งเรือทิ้งแพนะแตสติมันอัตโนมัติมันไม่ได้จเจริญหรอกมันจะอัตโนมัติมันจเจริญ ม, มากกว่านั้นไม่ได้ละ เป็นอัตโนมัตินี่พวกเรามันยังไม่เจริญใช้พูดเจริญคำว่าพูดเจริญคือคำว่าอาริยะนั่นเองอริยะแปลแว่าเจริญพูดเจริญค่อยๆฝึกจิตใจเจริญขึ้นมามีสติมีสมาธิมีปัญญาอบรมจิตใจให้มันรู้ความจริงของกายของใจถึงจะนึกเขาวางเขาเองนะหน้าที่วางเป็นหน้าที่ของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเรา เมื่อสิบสองเมื่อกี้ทําอะไรอยู่ล่ะเมื่อกี้เนี่ยก่อนหลวงพ่อจะคุยกับคุณนะคุณทําอะไรอยู่นึกออกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่ก่อนหลวงพ่อจะคุยด้วยเดี๋ยวเนี้ยเมื่อกี้นี่เองอ่ะยกหยกเนี้ยทําอะไรอยู่รู้ไหมใช่ถูกต้องเติมคําว่าหลงไปนีดนึงกลังหลงคิดอยู่เจอเสียงมือถืงเนาะต้องไปนั่งห่างหา ตรงนี้ไม่มีไม่ใช่ตรงนี้มันไม่มีลำโพงซึ่ไงพยายามฟังรู้ว่าพยายามฟังนะให้เราค่อยรู้ทันพฤติกรรมของใจเราเองอย่างเมื่อกี้ฟังแล้วก็คิดรู้สึกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังไปคิดไปคนทั้งโลกก็ฟังไปคิดไปทั้งนั้นแหละตั้งแต่เล็กๆเด็กๆก็ฟังไปคิดไปแต่เราไม่เคยรู้ว่าเราฟังไปคิดไปเราคิดว่าเราฟังอย่างเดียวตั้งใจฟัง เวลาเราปฏิบัติแนละ้วเราคอยรู้ทันจิตใจตนเองจิตใจของเราไปฟังรู้ว่าไปฟังจิตไปคิดรู้ว่าไปคิดรับรองจะฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยแต่จะเข้าใจธรรมะธรรมะไม่ได้รู้จากการฟังหลวงพ่อหรอกแต่รู้ด้วยการเห็นกายเห็นใจของตัวเองถ้าเราเห็นว่าใจไปคิดใจไปฟัง เียเราจะเริ่มเห็นธรรมมาแล้วจิตใจไม่เที่ยงรู้สึกไหมเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดไม่เที่ยงจิตใจเป็นอนาาัตตาบังคับไม่ได้มันจะฟังหรือมันจะคิดเราไม่ได้เลือกรู้สึกไหมมันจะฟังหรือมันจะคิดมันสลับของมันเองเราไม่ได้เลือกเนี่คือแสดงให้เห็นความเป็นอนัตตาของจิตงั้นถ้าคุณฟังไปคิดไปคุณจะรู้เรื่องที่หลวงพ่อพูดแต่ไม่รู้ธรรมะ ถ้าคุณฟังรู้ว่าฟังคุณคิดรู้ว่าคิดคุณจะไม่รู้เรื่องที่หลวงพ่อพูดแต่คุณจะรู้ธรรมะจิตของคุณจะสอนธรรมะคุณเองว่าจิตนี้ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจคือไปคิดจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้มันจะไปทางตามันก็ไปของมันเองมันจะไปทางหูไปตั้งใจฟังมันก็ฟังเอง ανα. มันจะไปคิดมันก็ไปคิดของมันเองเราไม่ได้เลือก การที่จิตจะไปทางตาหูจมูกลิ้นหรือไปทางกายนะมันมีจิตดวงหนึ่งเลือกให้เราไม่ต้องจําก็ได้นี่คุยเล่นๆ น, นะเรียกว่าปัญจทวารวัชนะจิตเป็นตัวเลือกเมื่อจะให้ไปรู้อารมณ์ทางตาทางหูจมกูกทางลิ้นหรือทางกายส่วนทางจิตใจเราเนี่ยมันจะเป็นกุศลเป็นอกุศลมันจะสุขมันจะทุกข์มีจิตตัวหนึ่งเลือกให้เรียกว่าพุทธพนัจจิตไม่ใช่เราเลือกหรอก เขาทำงานของเขาเองแล่เราไปดูของเราไปนะเราจะเห็นเลยเราบังคับมันไม่ได้อย่างนั่งดูหน้าหลวงพ่อรู้สึกไหมหลวงพ่อจะแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูนะลองดูหน้าหลวงพ่อดูให้ชัดๆซิรู้สึกไหมว่าชัดได้แว บ, บเดียวมองออกไหมเห็นไหมหน้าหลวงพ่อชัดแว บ, บเดียวรู้สึกไหมจิตใจสงสัรู้ไหม กัวจะสงสัยเลยไม่เห็นปฏิหารเราตั้งใจดูคนข้างๆเราก็ได้ลองดูเบอร์1ิบอเนี่ตลองดูสิเราเห็นเขาแว บ, บเดียวนะจริงๆแล้วก็คือไม่ว่าใครนะไปมองอะไรก็มองเห็นได้เพียะแว บ, บเดียวนิดเดียวอันนี้ไม่ใช่ปฏิหารอะไรหรอกนั่นเป็นธรรมดาของจิตนี้เราก็ไม่เคยรู้จักเราไม่รู้เราคิดว่าเรามองอะไรได้ชัดๆตลอดเวลา เห็นไห ม, ไมเวลาเรามองคนข้างๆเรามองหน้าเขาเนี่ยเราต้องขยับเปลี่ยนจุดการมองอยู่เรื่อยๆนะขยับไปขยับไปไม่งั้นเราดูได้ไม่ชัดหรอกแล้วก็อาศัยการมองทีละจุดเล็กๆเหมือนต่อจิ๊กซอว์อาศัยความจําเนี่ยมาเรียงร้อยภาพที่เราดูหลายๆคนเนี่ยเข้าด้วยกันเลยเป็นหน้าของคนคนนี้ขึ้นมาดังนั้นจริงๆเราตามองเห็นอะไรนิดเดียวโูเราได้ยินเสียงนิดเดียวจมูกได้กลิ่นนิดเดียว ใจใจได้คิดไปเรื่อยๆไม่นิสดดัยเละคุณเมอ่อแปดสิบสองเมื่อกี้ทำอะไร ร, นะรู้สึกแม๊บใจเราเลยแว บ, บไปใจเราแว บ, บไปให้เรารู้ทันว่าใจมันไรแว บ, บไปนะนี่คือการหัดรู้ตัวเองหัดรู้ทันใจตัวเองนักปฏิบัติเนี่ยให้คอยหัดรู้สภาวะไว้แล้วสติจะเกิดเอง แต่ว่านักปฏิบัติเถือบทั้งหมดไปพยายามทําสติให้เกิดขึ้นหลวงพ่อกล้าท้าเลยนะไม่มีใครทําสติให้เกิดได้เพราะอะไรเพราะสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดตามใจชอบไม่ได้ถ้าสั่งสติให้เกิดได้นะพระอรหันต์คงเต็มบ้านเต็มเมืองเราก็สั่งลงมีสติยีิบสี่ชั่วโมงนะแต่รับฟางที่มีสติหมดละหรือเก่งกว่านั้นสั่งใะไจงบรรลุมรรค น, นิพพานเลย มันสั่งไม่ได้อย่าว่าจะจะสั่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานในสั่งสติให้เกิดขณะเดียวยังไม่ได้เลยแต่สติเกิดเก็มีเหตุศา ส, สนาพุทธสอนเรื่อเหตุกับผลเหตุที่ทําให้สติเกิดคือจิตมันจับสภาวะได้แล้วที่เราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยใจของเราขยับขยื่อนเคลื่อนไหวเราคอยหัดรู้ไปเรื่อยอย่าไปหวังว่ารู้ไปถึงเมื่อไหร่นะอย่าไปหวังว่ารู้แล้วจะได้อะไรไม่ต้องหวั ง, งสิ่งเหล่านั้นเลย รู้เล่นๆหัดรู้เล่นเรียนรู้ตัวเองไปเล่นๆแล้วจะได้ของดีในเวลาสั้นๆแต่ถ้าอยากได้บรรลุเร็วๆนะจะไม่ได้กินหรอกความอยากเอาไปกินหมดแล้วกิเลสเอาไปกินหมดแล้วหรือแทนที่จะคอยรู้ก็มานั่งคิดเอานั่นก็กิเลสอีกตัวหนึ่งแล้วเจ้าทิสตีเจ้าทิสทิกิเลสที่ชื่อว่าทิสฐิปอบงําไปละหรือภูมิอกภูมิใจนะเรารู้หมดแล้วรู้หมดแล้วทําไมไม่เป็นพระอร ห, รหนันต์นะ รู้สึกครูเก่งครูเก่งอย่างนี้นะชาล้นพุวยเรีนเยนอะไรใหม่ๆไม่ได้ติดแต่ของเก่าติดแต่ความรู้เก่าๆความรู้เก่าๆก็ไม่มีอะไรเกินสมรถะออกความรู้สมถะนีะความรู้ของเก่าแล้วความรู้วิปัสสนาเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งต้องมีพระพุทธเจ้าถึงจะสอนเรื่องวิปนะัสสนานะสมถะนี่ของเก่าสอนจะมาไม่เคยขาดสายเลยถึงต้องหลัปิดใจจะติิ์สมถะติดของเก่า ถ้าไปปรุงอกปรุงใจของเก่านี่นะก็เสร็จอยู่ตรงนั้นนะรู้จักใจลอยไหมเบอร์สิบสองรู้จักใจลอยไหมเมื่อกี้ลอยไปแล้วฟังแล้วคิดรู้ไหมรู้เรื่องที่คิดใช่ไหมเออเออนั่นแหละนั่นแหละหลวงพ่อเรียกว่าใจลอยนะขณะที่เราคิดขณะนั้นเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่ว่าขณะนั้นเราลืมกายลืมใจในปัจจุบัน เมื่อไรลืมกายลืมใจในปัจจุบันเรียว่าหลงทั้งหมดเลยเรียว่าขาดสสัมมาสติทั้งหมดเลยแต่การที่เราคิดสัมนาศึกษาเปรียบเทียบคิดเนี่ยมัมีสติเหมือนกันเพราะว่าเราคิดเรื่องที่เป็นกุศลแต่เป็นสติธรรมดาสัมมาสติกับสติธรรมดาไม่เหมือนกันสัมมาสติเรารู้กายรู้ใจตัวเองสติธรรมดารู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆไป ที่เรานั่งคิดธรรมะคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงพ ร, ระพุทธเจ้าเนี่ยหรือคิดถึงร่างกายของเราเองคิดถึงลมหายใจหรือคิดถึงคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยสิเหล่านี้เป็นสมถะทั้งหมดเลยมีสติเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวสัมมาถสติตัวแท้สัมมาถสติต้องรู้กายรู้ใจตัวเองธรรมดาของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อไหร่เราไปรู้เรื่องราวที่เราคิดเรียกว่ารู้สมมุติบัญญัติเมื่อนั้นจะลืมกายลืมใจอัตโนมัติ กายกับใจเรียกว่าอารมณ์ปรมัตน์ความคิดเรื่องราวที่คิดเรียกว่าอารมณ์บัญญัติคนทั้งหลายจะรู้แต่อารมณ์บัญญัตริรู้แต่เรื่องราวที่คิดแต่ลืมกายลืมใจตลอดเวลานะลืมกายลืมใจเพราะงั้นเราไม่สามารถเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองได้ธรรมะแท้ๆไม่ได้อยู่ที่อื่นธรรมะแท้ๆอยู่ที่กายกับใจนี่เองอยู่ที่รูปกับนามรูปหรือกายเหล่านี่ยชื่อเลาะๆ เ, เรียกว่ารูปธรรม นเป็นธรรมะนะเรียกว่ารูปธรรมจิตใจของเราเรียกว่านามธรรมาเป็นธรรมะอยากได้ธรรมะไม่หาที่อยู่หาที่กายหาที่ใจของเราเนี่ยค่อยรู้สึกกายค่อยรู้สึกใจไว้แต่คนทั่วไปรู้สึกกายรู้สึกใ จ, กใจไม่ได้ราหมดแต่รู้เรื่องที่คิดคิดทั้งวันคิดตั้งแต่เกิด น, นะจนตายคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับหลับแล้วก็คิดต่อเรียกว่าฝันฉะนั้นค่อยรู้สึกนะ มีคำอยู่สองคำที่ไม่เหมือนกันอันหนึ่งคือรู้เรื่องที่คิดอีกอันหนึ่งรู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่รู้เรื่องที่คิดเนี่ยใครๆก็รู้รู้ทุกคนนะหมาแมวก็รู้นะหมาจะไปเที่ยวตรงไหนนะี่คิดนะหมาจะไปดักพบเลื่อนหมาตรงไหนหมาก็คิดน ะ, ะใช่ไม่คิดหม้ายังนอนฝันด้วยหลวงอมีหมาหว้วนๆอยู่ตัววันนี้ไม่มาโชว์ตัวบางทีมันก็ฝันว่ามันวิ่งนะวิ่ง วิ่งแลืวขาอย่าเนี่ยนะละเมอได้ด้วยที่ละเมอหาบลอกบลอกบลมันก็ฝันง่อนการที่จิตใจของเราไปรู้เรื่องราวที่เราคิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรใครๆก็เป็นคนไม่ปฏิบัติก็เป็นหมาแมวก็เป็นแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าจิตกําลังแอบไปคิดอยู่น้อยมากงั้นอย่างที่หลวงพ่อถามว่า รู้สึกตัวไหมเธอไปหรือเปา่าอะไรเนี่ยจิตเรากาลังแอบไปคิดหลวงพ่อกําลังให้เรียนเพื่อให้รู้จักว่าจิตที่หนีไปคิดเป็นยังไงนะถ้าคุณจําได้ว่าจิตที่แอบไปคิดมันเป็นยังไงนะต่อไปพอจิตไหลไปคิดแวบเนี่ยสติจะเกิดเองตัวนี้สําคัญนะสําคัญมากใครเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียนบ้างไหมหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเองนะหลวงพ่อเทียนสอนธรรมะสะใจมากเลย ท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติแม่พุดถึงออกถึงใจถ้ารู้ว่าจิตคิดนะคนทั้งโลกไม่รู้ว่าจิตคิดคนทั้งโลกรู้แต่เรื่องที่จิตคิดะค่อยๆแยกคํานี้ให้ดีนะอาการที่จิตคิดเนี่ยอันหนึ่งเรื่องราวที่จิตคิดนี่เป็นอย่างไรอย่างตอนนี้ยจิตแอบไปคิดทราบไหมจิตแอบไปคิดถ้าจิตแอบไปคิดแล้วเราไม่รู้ทัน เราจะไปรู้เรื่องที่จิตคิ ด, คดเรื่องที่จิตคิดไม่ใช่ของจริงอย่ยงเราคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลก็ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นถ้าไปกระกวดอาจจะได้ก็ได้ไม่แน่ทีนี้เรื่องราวที่คิดไม่ใช่ของจริงเลยเรียกว่าสมมติบัญญตัติแต่เราเรียนธรรมะเราเห็นของจริงสิ่งที่เป็นของจริงก็คือกายกใจเรานี่แหละของจริงๆแค่คอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจ แ, แอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหมแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมไหล่ดีละคุณเบอร์แปบสเก่งรู้สึกไหมบังคับตัวเองแล้วบังคับเนี่ยให้รู้ทันว่าบังคับไม่ต้องฟังหลวข้อให้รู้เรื่องหลวงพ่อบอกแล้วนะไม่ต้องเรียนธรรมะด้วยการฟังหลวข้อพูดให้รู้เรื่องถ้าฟังหลวข้อรู้เรื่องแสดงว่าไม่รู้ธรรมะ ถ้าเข้าใจเข้าฟังธรรมะนะฟังธรรมะภายในของเราอยู่ฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องหรอกหลวงพ่อพูดเล่นๆอย่างนั้นเลยเพราะธรรมะจริงๆอยู่กับเราเองลงไปแล้วทราบไหมใจหายแวบไปเฉยๆจริงๆคือจิตลงระวัง น, นี่หลงระวังในระหว่างก่อนที่จะขึ้นมารับอารมณ์ใหม่เลงอีกแว บ, บหนึ่งเข้าดูไปนะไม่ใช่เรื่องยากจิตนี้เกิดดับเกิดดับ คนทั่วๆไปไม่รู้จักว่าจิตเกิดดับคิดว่าจิตมีดวงเดียวรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเนี่ยคนเดิมรู้สึกไหมแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่คนเดิมรู้สึกไหมแต่ในนี้มีเราอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นคนเดิมคือเรารู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยเที่ยงจิตของเราเด็กๆกับจิตเดี๋ยวนี้เป็นคนเดิมรู้สึกไหมมีเราอยู่คนหนึ่งเราอย่างนู้นเราอย่างนี้ทั้งวันเรารู้สึกว่าเป็นเราจริงๆด้วย เป็นเราคนเดิมด้วยเราเมื่อวานกับวันนี้ก็คนเดิมเราวันนี้กับพรุ่งนี้ก็คนเดิมแต่ถ้าเราเห็นความเกิดดับของจิตอยู่ที่พาให้คุณเคยแปดสิบสองดูดดที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปมีผวังคัดเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปมีผวางคัดเราจะเห็นไหมจิตดวงนี้กับดวงตะเกีย้ยคนละดวงจิตนี้เกิดดับเกิดดับตลอดเวลานะถ้าเข้าใจตัวนี้แนละ้วไม่นานจะละความเห็นจิตว่าจิตเป็นเราได้ คนใดละความเห็นผิดวาจิตเป็นเราได้นะจะได้ทสดับบัตในเวลาสั้นๆหลงไปแว บ, บหนึ่ ง, ง, คนอ ง, อน ง, งครับไหมบังคับทราบไหมเห็นไหมสุกโต่งมีสองอันไม่หลงไปก็บังคับไว้สุดโตงมีแค่นี้งแต่ใช่ใช่หลวงพ่อถึงบอกไงว่าพวกเราเนี่ยฝึกอะไรมาหรือไมยพวกเราฝึกสมถธิมาตอในสังสา ร, รวัตรที่ยาวนานนี้นะเราฝึกบังคับตัวเองมาตลอด คนดีต้องบังคับตัวเองได้คนชั่วก็ตามใจกิเลสเนี่ยเราว่าทภาพไว้อย่างนี้ถามวลาบังคับตัวเองดีไหมก็ดีนะแต่ดีแบบคนดีได้เป็นเทวดาได้เป็นคนดีได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมแต่บรรลุมรรคผลอะไรไม่ได้หรอกคนละเรื่องกันคุณเบอร์แปดสิบสองทำอะไรใช่ติดไล์ไปหาโลกนะตบถูกใช่ได้เกง เริ่มทำใจให้ทือแล้วรู้สึกไหม<ค><ย>่าให้ตั้งไหมเฉยๆํา ไ, ไม่รู้ไม่สโ ง, โง่โง่ไหโง่ไหมเชื่อเหอะพวกฉลาดเนะตายเพราะความฉลาดนั่นแหละก็ฉลาดได้คิดมากคิดมากยากนา น, น <ะ S 1> เรียนโง่โง่ไว้ง่ายที่สุดเลยแต่ก่อนทางอีสานจะมีกรอนของคนทางอีสานนะ อยากทำได้ถามหญิงสามปูอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายอยากจะทำกรรมาฐานให้ถูกหไปถามเด็กเลี้ยงควายบอกทำไม่ได้หรอกไม่รู้ทำไม่เป็นจริงๆคือทาไม่ได้ถ้าทำได้มันจะเป็นอันตาไม่ใช่อันับตาสปีแวบเดียวยังทำไม่ได้เลยสั่งให้เกิดไม่ได้เลยเกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้คุณดูออกไหมรู้สึกขึ้นมานะได้แวบเดียวรักษาไม่ได้ แวบๆๆอย่างเงี้ยรักษามไม่ได้แต่ทําไมเราต้องฝึกจนให้รู้สึกตัวแล้วเกิดสติเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างความหลงความเพลิดถ้าหากเราไม่เคยฝึกเจริญสติเลยไม่เคยตั้งธรรมเพื่อให้เกิดสติเลยเราจะเพลิดตลอดเลยเราจะหลงตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็หลงใหม่อีกในเมื่อใจของเราอยู่กับความหลงตลอดเวลาเราจะไม่รู้จักว่าความหลงเป็นยังไง เหมือนในห้องนี้สมมุตินะในห้องนี้รวมหลวงพ่อด้วยพระเนทั้งหมดด้วยในนี้เต็มไปด้วยคนชั่วชั่วเหมือนกันหมดเลยชั่วเท่าๆกันด้วยในห้องนี้จะไม่มีคนชั่วเลยงั้นถ้าตลอดเวลาตลอดชีวิตเราหลงตลอดเราจะไม่รู้จักว่าหลงเป็นยังไงแต่ถ้าเมื่อไรเราฟังธรรมจนสติเกิดขึ้นมานะจิตมันจำสภาวะธรรมได้สติเกิดขึ้นมาเราจะรู้เลยตะกี้หลงตอนนี้รู้ เมื่อกี่รู้ตอนนี้หลงอีกละอย่างเงี้ยจะสลับไปเรื่อยๆมันจะมีหลงกับรู้สลับกันขึ้นมามันจะแสดงให้เห็นว่าความหลงก็ไม่เที่ยงนะความรู้สึกตัวก็ไม่เจี่ยงอะไรอะไรก็ไม่เจี่ยงเพราะงั้นเรียนกรรมฐานท้ารเรียนเป็นคู่คู่จิตมีโทสะกับไม่มีโทสะถ้าโกรธตลอดยีิบสี่ชั่วโมงก็จะไม่รู้ว่าเราขี้โมโหนะเราสึกเป็นธรรมดาแต่มีเวลาที่ไม่โมโหด้วยเนี่ยเราจะรู้เลยอ้อ น, นี้โมโหแล้วตอนนี้ไม่โมโห ไม่โมหก็ไม่เที่ยงไม่โมโหก็ไม่เที่ย ง, ม, ม, ม, ยงมันต้องมีคู่หนึ่งนะามาเรียนแล้วเรียนสิ่งที่คู่ที่หลวงพ่อแนะนําให้เรียนคือจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะแล้วจิตมีราคะจิตมีโทสะมันเป็นรูปของจิตที่มีโมหะนั่นแหละต้องมีโมหะก่อนถึงจะมีราคะโทสะได้คุณเบอร์แปดสิบสองถล่มลงไปทําอะไรแล้วหลนนะ เข้าใจแล้วนะเรียนได้เร็วได เ, เร็วนานๆเจอคนเรียนได้เร็วขนาด น, นี้คนหนึ่งหลงอีกแล้วเนาะหลงพ่อแกล้งชมให้หลงหลอกลวงมันเคยชินมันไปตามความเคยชินนะความเคยชินเนะี่ยภาษาไทยนะภาษาแขกคืออนุใสนะ่นะนะเคยโกรธก็จโกรธบ่อยเคยหลงก็หลงบ่อยเคยเพ่งก็เพ่งบ่อย จะไปอีกแล้วทราบไหมเดี๋ยวเห็นไหมบังคับไม่ได้อยากพูดทราบไหมมีแรงดันนะปัญหาเนี้เราจะปุดขึ้นมาปุดขึ้นมาจากอาุยิวัตถุอสุรูปปุดขึ้นคุณเบอร์เจ็ดทำอะไรอยู่หลงอยู่ตับถูกโอ้วันนี้เก่งเก่งหลายคนเบอร์แปดสิบเอ็ดจะสงสัยเยอะนักนะสงสัยให้รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ หัดรู้ทันตัว เ, เองเรียนโง่ๆอย่างหลวงพ่อนะเรียนเฉอะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วเรียนแบบคนฉลาดนะกี่ปีก็ไม่รู้เรื่องหรอกถ้าเราฉลาดด้วยการคิดเอาไม่ได้ฉลาดด้วยการเห็นหนุ่มหัดไปนันน่ะไม่มีเบอร์ใส่เสื้อราดจอรเคนเ <c oughs> มื่อกี้ทำอะไรอยู่คิดอยู่สับถูกได้หนึ่งคะแนน จิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจิตคิดนะรู้แต่เรื่องที่จิตคิดหลงไปแล้วนะเห็นไม่บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้นั่นแหละธรรมะนะนี่ธรรมะอยู่ตรงนี้เองส่วนพวกเราส่วนใหญ่ปฏิเสธธรรมะนะอยากมารูุธรรมแต่ปฏิเสธธรรมะอยากจิตใจเป็นของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงจิตใจเป็นทุกข์อยากให้มันเป็นสุขจิตใจเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้อยากบังคับไม่ได้ พอจิตแสดงความไม่เที่ยงให้ดูตีป่วยตีพายแล้วจิตแสดงทุกข์ให้ดูก็ตีป่วยตีพายจิตมันแสดงการบังคับไม่ได้นะโมโหว่าทําไมเราปฏิบัติไม่เก่งสตีเมื่อตั้งหลักผิดนะจิตปฏิเสธธรร ม, มะฝึกไปกี่ชาติก็ไม่เข้าถึงธรร ม, มะแท้จริงธรร ม, มะก็คือการที่เราเห็นกายเห็นแจ้งเราเป็นไตรักษ น, นั่นแหละนั่งขัดสมาธิก็ได้นะนั่งตางสบายหลงแว บ, บหนึ่งทรา บ, บไหีจยไหลแวบไป อัดรู้อย่างเนี้ยคุณมาเจ็ดหลงอีกแล้วรู้สึกไหมหลงเพลิดเพลินรู้สึกไหมหลงแล้วมีความสุขตัวนี้เป็นกิเลสตัวหนึ่งเรียกว่านันทีราคะความเพลิดเพลินฟังธรรมะแล้วก็เพลินเพลินมีความสุขนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านใจดีหรือไม่ก็ท่านอายุมากรู้สึกฟังธรรมะแล้วเพลิเพลินท่าก็ปล่อยช่างมันเถอะเพลินเพลินเป็นอย่างดีกว่าไปอาบาย อย่างนั้นไปสุปส <c oughs> ติจะหลวงพ่อไม่ก็ยอมลูกศิษย์มาฟังธรรมะแล้วมีความสุขเพลินเพลินครั้งหนึ่งไม่ว่านะสองครั้งไม่ยอมแล้วมันจะมีความสุขอะไรนักหนาขันห้ามมันเป็นทุกข์ลงไปอีกแล้วนะเบอรปสุบให้รู้เฉยๆเห็นไหมมันทำงานของมันเองมันไม่ได้กลับหรอกการกลับเป็นภาพหลวงตา จิตเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ตาดับที่ตาอย่างตอนตั้งใจฟังหรือจิตไปเกิดที่หูพอรู้ตัวว่าจิตไปเกิดที่หูปุ๊บจิตมันเกิดที่ใจที่รู้สึกตัวเป็นจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นใหม่แจิตที่เป็นกุศลไม่ได้เกิดที่ตาจิตที่เป็นกุศลเกิดที่ใจแต่ว่าการมันเกิดดับเร็วเราเลยรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวมันคล้ายๆตัวกระตูนนะรูปหนึ่งอยู่ที่นี่อีกรูปหนึ่งอยู่ตรงนี้เ แต่พอมันต่อกันอย่างรวดเร็วเราจะรู้สึกว่ารูปวิ่งเส้นใหม่จิตนี้ก็เหมือนกันจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับไปแล้วมาเกิดที่ใจมันกระดับต่อขันรวดเร็วเราเลยรู้สึกว่ามันวิ่งจากตาเข้ามาที่ใจได้วิ่งจากหูเข้ามาที่ใจได้หรือวิ่งจากใจออกไปทางตาได้จริงๆเกิดตรงไหนดับตรงนั้นไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาหรอกคุณเบอร์แปดสิบสองทำอะไรทำกรรมฐานต้องสบายนะ ต้องสบายนะอืมต้องสบายนะหัดมาจากไหนล่ะ อ, อ, อ๋รูปติดของคุณดูท่านก็สอนดูจิต น, น, นีแ่แหละถามเยอะดีนะท่านก็ฟ้าดีหลงอีกละดีแล้วเนี่ยโอ้เห็นรูปติดอย่างนี้นะเชิดหน้าเชิดจูตาอาจารย์ องคนภาวนาไม่เป็นหรือบอกเป็นลูกติดองค์นูนองค์นี้น ะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเรารับท่อนแล้วก็เตรียบไปทันข้าวฮันยะถาวาริวหะปุราปริตูเรนตีสากคารังเอวเมวายโตทินนางเตทานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังทุมพังคิปเมวาสมิจโตสัพเพปูเรนตูสังกป า, าจั น, นโาทปนารโสยะถามนิโชติราโสยะา สัพพีติโวิวชัชชนตสัพรโรโภวินสัสตมาเตภวัวันตรายโยสุขีที่ายโกภวะอภิวาทนาีริสนิจจังุทาปจายโนจตตาโรธมาวัชตีอายุวันโนสุขังพละภวตูสัพพังคลัรักขันตูสัพเจ ว, วตาสัพพุทธานุพาเวนะสัพพธมานุพาเวนะ สัพพสังขานุภาเวนาสดาโสทีมะวันตุเต